นักบตัสสะพักวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะนบตัสสะพวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทตัสสะนักบตัสสะพกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะตัตติโนวิโสกัส วิปมุตตสสะสัพปิสัะปะคันทัปปะีนัสสะปะริลาโหนาวิจติตีต <c oughs> อะนัง่งตาบสบายวันนี้ก็เป็นการอบรมธรรมะควงธรรมปฏิบัติธรรมครั้งที่ 8ปสิบเอ็ดโแปดสิบเอดนี่ากลับว่าแปดบเ็ดเดือน8ปดครั้งเดือนละครั้งนี่เจ้า ก, กับกี่ปีสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจ็ดสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ยาก้าถูปีที่เจ็ดใช่ไหมยางก้าสู่ปีที่นะเจ็ด โอ้โหเยอะมั่กันเนาะใครที่ขาดไม่เกินสามสิบเปเต้อยกมือคนเดียวเลยแปดสิบเอ็ดครั้งไม่น้อยนะในการควังธรรมปฏิบัติธรรมถือเป็นเรื่องสาระของชีวิต ถ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่มีกิจกรรมเหล่านี้สาระของชีวิตก็จะหายไปชีวิตของเราก็ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปเฉยๆถ้าไม่มีการควงมธรรมและปฏิบัติธรรมถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตในชีวิตคนคนหนึ่งมันมีอยู่สองสาย สายหนึ่งเป็นสายของเกิดปัญหาสร้างทุกข์สายนี้จะทํางานอยู่ตลอดเวลามีอวิชชาเป็นหัวหน้าก็ไหลไปตามอํานาจของความพอใจและความไม่พอใจเป็นหลักมีอารมณ์เข้ามาเป็นใหญ่ในการใช้ชีวิตทุกขณะของเวลาซึ่งธรรมชาตินี้ก็มีอยู่เห็นอยู่ ธรรมชาติอีกสายหนึ่งคือธรรมชาติในสายที่ให้พ้นจากความทุกข์มีวิจาเป็นหัวหน้าใช้ชีวิตในลักษณะของความสงบและความตั้งมั่นเป็นหลักไม่สร้างปัญหาธรรมชาติชนิดนี้ก็มีอยู่การฟังทรรมปฏิบัติธรรมเป็นการ อบรมจิตใจเพื่อให้เกิดสันทะหรือฝักไฟในเส้นทางของธรรมชาติสายที่มีวิ ช, ชาเป็นหัวหน้าถ้าเราไม่มีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเลยในชีวิตนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในธรรมชาติอีกสายหนึ่ง ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในธรรมชาติอีกสายหนึ่งเราก็เท่ากับปล่อยให้ชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเฉยๆเรียกว่าหากิจกรรมอันเป็นสาระของชีวิตไม่ได้ทีนี้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมมันเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้จักตัวเราเองในความเป็นจริงของตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบว่าธรรมชาติชนิดนี้มีอยู่มีอยู่ในกายในใจที่ยังไม่ตายนี่แหละอันจะเข้าถึงได้ด้วยการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมหมาบุรุษแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะที่ต้องการหาว่าในชีวิตเนี่ยนอกเหนือจาก พอใจไม่พอใจแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าเหล่านั้นก็มองเห็นแล้วว่าถ้าเราปล่อยให้ชีวิตดําเดินไปตามความชอบใจก็ดีตามความไม่ชอบใจก็ดีสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นแหะต่างกันแต่ชื่อกับความสําคัญหมายชื่อเช่นว่ารถรถเบนโตโยต้าอันนี้ไม่มีโฆษณานะ นี่ชื่อใช่ไหมชื่อมันต่างกันนะรถเบนโตโยต้าฮอนด้าซีวิกรีสอร์ทอพาร์ทเมนต์คอนโดโรงแรมทาวเง า, เาบ้านเดี่ยวอะไรก็ว่าไปชื่อเยอะแยะไปหมดเลยนี่ต่างกันโดยชื่อและความสำคัญหมาย ความสาคัญหมายเราไปให้ค่ากับอะไรล่ะรถเบนดีกว่าโตโยตานะเออโตโยต้าดีกว่าอันนั้นอันนั้นดีกว่าอันนี้นี่คือความสาคัญหมายที่เราให้เขาไปทั้งหมดนี้เดินไปกับความพอใจและความไม่พอใจเป็นสาคัญซึ่งทั้งความพอใจและความไม่พอใจนำไปสู่ความทุกข์เป็นปลายทางเป็นจุดนัดพบ จุดนัดพบของเบนกับจุดนัดพบของโตโยต้าเหมือนกัน <c oughs> จุดนัดพบของอะไรต่างๆนี่เหมือนกันหมดเลยจุดนัดพบของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่ทุกอยู่ที่ที่ทุกข์สมมติว่าโตมาเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นมีคว า, ามสำคัญหมายคนหนึ่งก็สำคัญหมายว่าจะหาคู่สักคนหนึ่งที่เป็นคนผิวดำแดงอีกคนหนึ่งบอกว่า ไม่เอาผิวดำแดงจะเอาผิวดำไอ้คนหนึ่งบอกว่าผิวดำก็ไม่เอาดำแดงก็ไม่เอาจะเอาผิวขาวไอ้คนหนึ่งบอกว่าผิวจะผิวอะไรก็ได้เขาเป็นคนต่างชาตินะฮคือสําคัญหมายกันไปเรื่อยแต่ทุกๆความสําคัญหมายสุดท้ายไปจดอยู่ในเส้นทางเป้าหมายเดียวกันคือทุกขเพราะฉะนั้น มันจึงสรุปโดยง่ายๆว่าทั้งพอใจและไม่พอใจล้วนเดินเข้าไปสุดอยู่ที่ทุกข์ทีนี้พวกมหาบุรุษในอดีตก็ต่างคิดว่าในเมื่อมันอันนี้ก็ทุกข์อันนั้นก็ทุกข์ไอ้นี้ก็ทุกข์ไอ้ น, น้กก น, น, นก็ทุกข์ทำยังไงอ่ะมันจึงจะไม่ทุกข์มันจึงเกิดศาสนาขึ้นมาในโลกใบนี้ไง เกิดเป็นลทัทธิความเชื่อเกิดเป็นศาสนาบางคนก็บอกว่าถ้าจะไม่ต้องทุกข์ก็ต้องให้มันสุกสิแต่ทำยังไงจะสุขเอมันเชื่อว่าเป็นระบบพวกเทวานิยมมันก็เชื่อว่าโลกธาตุทั้งปวงมีเทวดาผู้สร้างมีเทพเจ้าเป็นผู้รักษาเราจะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นอยู่กับการประทานของเทพเจ้าเหล่านั้นมันจึงเกิดพิธีการบวงสรวงบูชายันกันขึ้นมาเพื่อให้เทพเจ้าพอใจ ได้ประทานความสุขมาให้จะได้ไม่ต้องเจอกับทุกใช่แต่ในที่สุดแล้วเส้นทางสายนี้มันก็อยู่ในกรอบของความพอใจและความไม่พอใจอยู่นั่นเองในที่สุดมันก็ทุกทุกที่เป็นหลักทุกที่เป็นหลักเป็นเป้าหมายเป็นเส้นชัยเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ในสังการร่างกายของเรามีอยู่สามตัวหลัก เป็นเจ้าภาพนะตาทะเบียนบ้านนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานภาพเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่ผู้อาศัยที่เป็นตัวหลักก็คือทุก III ข์ที่เกิดจากความแก่ทุก III ข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วยและทุก III ข์ที่เกิดจากความตายเราจะยังไงก็สุดท้ายเราต้องมีความาทุก III ข์อันเกิดจากความแก่ทุกข์อันเกิดจากความเจ็บป่วยทุกข์อันเกิดจากความตาย อันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์หลักซึ่งเรียกว่าสภาวะทุกข์เป็นทุกข์ประจำสังขารร่างกายนี้พระพุทธเจ้าว่าเราควรจะพิจารณาให้ให้เห็นถึงความทุกข์เหล่านี้อย่างไรถ้านั่งอยู่ข้างหน้านี่ก็หลากหลายนะหลากหลายแต่ว่า ท้งห้องประชุมนี่ก็มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่มีไหมที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่มีไหมอ่ะกล้ายกมือไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตัวยังไม่แก่มีไหมคุณหมอแก่อย่าง <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่ด้วยอํานาจของความคาดหมายนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านว่าปริช น, นะมิมังรูปังโรขะนัททางปพังคุณังพิชติปูติสันเดโฮมารนันตังอชีวิตังคือว่ามีพิศุนีท่านหนึ่งท่านเดินเดินเดินร้อยยี่สิปีอายุเคยล่า้ฟังยังเล่าให้ฟังอะไรอ่ะ เ, เออ พิสูจนีรูปนี้ร้อยี่สิบปีชื่อนางอุตราชาวท่านก็ไปบินธบัติพอบินธบัตเสร็จแล้วเดินกลับมาเจอพระรูปหนึ่งบินธบัติยังไม่ได้ท่านก็เอาของที่ท่านได้มานี่ใส่บาทพระพระก็รับไปได้ฉันแต่ตัวท่านนั้นอดวันที่หนึ่งวันที่สองก็เจอพระรูปเดิมอีกท่านก็ใส่บาทอีกท่านก็อดวันที่สามท่านก็อดเป็นแบบนี้สามวัน จนในที่สุดเดินไปในรานวัดแล้วก็เซล้มก็มีคนเข้าไปประคองสอบถามใครพกคนพอรู้เรื่องอะ่ะอย่างพวกเรางนี้นะเ ม, มุติวาเนี้น้องมาริไอไพรวันนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยสามวันแล้วอายุก็ขนาดนี้แล้วเอาทำไมอะ่ะอันนี้ก็คือขาเมานี่มันจะกระจายง่ายเร็วมาก <laughs> มีขาเมางะ <laughs> ไปถึงสินโตก็มาถึงนั่งรู โอ้ยพระอันแย่จังเอาไปได้ยังไงอ่ะปล่อยให้คนแก่อายุร2 0ยี่สิบอดอ่ะนหมั้ยักพวกถึงโตนี้ก็มาขาเมานีก่กระจายเลยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายยังไม่มีกฎหมายเรื่องมินพระมานกระจายไปหมดเสร็จที่นี้ถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดเรียกบอกว่าอย่างเงี้ยปริชิ น, นะมิมังรูปัง โรคคนัดทังปับพังคูนังออพิชติปูติสันเดโหมรณันตังอิชีวิตังพระเจ้าตรัสว่ารูปแก่หอมนะรูปของเธอแก่หอมแล้วปริชินนะนี่แบแก่หอมแล้วคร่าคร่าแล้วอหอมรู้จักหอมไหมนึกถึงมะม่วงไหมฮะมันหอมมากแล้ว วินเป็นไงแห้งแล้วมันกําลังเจอเจอลมแมลงพึ่งปีกของแมลงพึ่งลมลมจากปีกแมลงพึ่งแต่นิดเดียวนีิร่วงแล้ว <c oughs> แก่หอมแล้วโรคคนทงังเลยว่ารูปของเธอแก่หอมแล้วโรคคน้ำทังว่าเป็นรังของโรคประพังคูนังกําลังพัง พิจติปูติสันเดโหรูปคือกายของเธอเนี่ยมันเป็นของเน่าพิจติพร้อมที่จะแตกสลายมรณะตัางชีวิตต่างเพราะอะไรเพราะชีวิตรูปนี้มีความตายเป็นที่สุดคือชี้ไปได้เลยยังไงก็ตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายเพราะฉะนั้น มันจึงแก่ตลอดเวลาเมื่อกี้ไม่มีใครกล้ายกมือว่าตัวเองยังไม่แก่เพราะแก่ตลอดเวลาเป็นโรคตลอดเวลาพังตลอดเวลานาตลอดเวลาหรือเถียง <c oughs> ทำไมไม่เถียงไงไ้ม ทำไมเราต้องอาบน้ำทำไมต้องสระผมนุ่นเออเพราะมันเน่าใช่ไหมถ้าเราไม่อาบน้ำไม่ํำระถางทางร่างกายกี่วันฮะวันเดียวได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันหมักหมมไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมันเน่าตลอดเวลาอืม แก่ตลอดเวลาแก่ไหมใช่ไหมทุกขณะของเวลาที่มันผ่านไปตึกๆึกๆมันมีความคล่ำคร่ามีความคร่ำคร่าความชราความแก่อยู่ในนั้นนับถึงขนาดของการแตกดับสลายของเซลเยอะมากในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยขณะหนึ่งหนึ่งที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยเซลที่มันตายไปพวกเท่าไหร่ ถูกไหมเออแล้วมันเกิดแทนเท่ากับที่ตายไห ม, ไมถ้าเด็กๆรออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆเนี่ยทําไมมันยืดขึ้นเพราะไอ้เซลล์ที่ตายไปกับตัวที่เกิดมาชดเชยเนี่ยมันเกิดมาเยอะกว่าไงพอเกิดมาเยอะกว่ามันก็ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นพอมาถึงอายุยี่สิห้ายี่หกนีใครต่ำกว่ายี่สบ้ายี่บหกมั้งมีไหมไม่มี พอถึง25่ห้ายี่หกเสมเสรมบาลานและบาลานแล้ ว, รลวตรงนี้บาลานแล้วพอกเพเลยไปกว่านั้นปั๊บที่ตายมากที่เกิดเริ่มน้อยมันก็เลยคลายออกมาตามไหนที่เราไปฉีดโบท็อกกันะตรงไหน <c oughs> ร่องน้ำหมาก <ตะ S 1> หน้าผ <ตะ S 1> ากตีนกาใต้ตาเออ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะไอ้ตัวที่เกิดไอ้ตัวที่ตายมันเยอะตัวที่เกิดขึ้นนมันน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าตรงไหนที่มันเคลื่อนไหวบ่อยเรายิ้มบ่อยๆกระพริบตาบ่อยๆใช่ไหมกระพริบตาบ่อยๆก็ตีนกาก็จะมาเร็วเพราะมันทำงานบ่อยๆ่มันตายเยอะกว่าไงไอ้ตัวตัวที่เกิดแทนมันน้อยยิ้มยิ้มอเงี้ยอแถเนี้ยเป็นร่อง มาก่อนเลยเพราะมันทำงานบ่อยแล้วมันตายเยอะมันเกิดแทนน้อยมันก็เป็นร่องยิ้มขึ้นมาเราก็ต้องไปฉีดโบท็อกอะไรนะฟิล <c oughs> เลอร์เหรอและอะไรอีกอะ่อะรอยไหมหมัมกโครนทำหาอะไรก็ไม่รู้เยอะเพื่อ <c oughs> <pe> er> ให้ใ ห, ให้ให้ต้านอำนาจของชาราแต่มันต้านได้ไหม การไม่ได้เราเราฉีดไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องฉีดเพิ่มเดี๋ยวก็ต้องฉีดเพิ่มเดี๋ยวก็ต้องฉีดเพิ่มทีนี้นั่นคือมันตัวที่เกิดมาน้อยตายเยอะแล้วมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆไหมปริมาณการตายกับปริมาณการเกิดชดเชยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆต่างขึ้นเรื่อยๆต่างขึ้นเรื่อยๆร่างกาย ต, งตรงๆอยู่ไปไงนานๆครับก็ คูคูคที่สูงกลับต่ําที่ดํากลับขาวที่ยาวกลับสั้นที่มั่นกลับคอนที่ย่อนกลับตึงที่ซึ่งกลับเซาะเพราะอันเนี้ที่สูงกลับต่ําคืออะไรแท่งกายทั้งแท่งเนี่ยเราอยู่ตรงสูงเนี่ยต้องมาวัดวัดดูตอนนี้สูงเท่าไหร่ <64. S 1> ร้อยหกสิบสี่อีกสิบปีดูที่มันจะลดลงมาเลยเท่าไหร่มันจะต่าลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อย ที่สูงกลับต่ําที่ดํากลับขาวอะไร oh. ผมไอ้ที่แดงแดงโกรกันมานี่ยนะ oh. หมวกเม็ดทั้งนั้นนะหมวกเม็ดทั้งนั้นะที่สูงกลับตำ่ำที่ดำกที่ยาวกลับสั้นคื อ, อะไร oh. สายตา oh. แต่ก่อนนี่มันมองหินกลยๆใช่ไหมเดีย๋ยวนี้ไกลๆเนี่นเบอร์แล้วเนี่ยนี่ก่อนตามานิ น, นาฬิกานั่นนะตัวตัวเลขอะ่ะ จะมีรัศมีห่อหมดเพียงแต่ว่านี่แว่น nah, ตัดมาหลายตัวนพาไปตัดหลายตังนะเนี <sh ่ยสามหมื่นกว่าอยู่ในย่ามไม่เคยใจเลยเพราะว่าไม่โฟกัสมองผ่านๆๆๆๆไม่โฟกัสมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนมากย่สูงก็ดำที่ยาวกลับทัานที่มั่นกลับคลอนอะไร ใครที่ไม่มีฟันปลอมเลยยกมาขึ้นเนี่ยไม่ถึงครึ่งห้องประชุมเลนอกนั้นฟันปลอมฟันปลอมทั้งนั้นคุณหมอยังใส่ยังที่มั่นกลับคลอนคือฟันที่ย้อนกลับตึงที่ย้อนกลับตึงเ้ย ฮัอยู่นั่นเนี่ยโอ้ก็ถาฮัฮัฮัฮัอยู่นั่นเนี่ที่ย้อนกลับตึงที่ซึ่งกลับเซอคือความจำสัญญาเมื่อก่อนเป็นไงจำดีประเเมนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มาควังเทศควางทุกวันทุกวันควางแลว้วควางอีกไม่จำทั้ที เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของสังขานความประจําทังขานทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นความจริงเลยแหละมันนั่นไม่ได้แล้วโรคะนัดทางเป็นรังโรคคืออะไรรังโรคดูสมบูรณ์แข็งแรง โชคดีนะไม่มีโรคไ อ, ไอคับพวกที่บอกว่าโชคดีไม่มีโรคแค่หมอบอกว่ายังไม่มีโรคประจำตัวเฉยๆแต่ถามว่าโรคมีไหมมีมเออถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ในอำนาจของชาราตอนนั้นเราจะต้องมีโรคแน่นอนมันไม่แค่แสดงอาการออกมาเพราะชาราก็ททำนานท้องอย่างคือนำโรคมาให้กับลดกำลังเราลงทุกวันอันนี้พูดได้ฟังหลายครั้งแล้ว เพราะนั้นราคะนทังโรคะนัทังคือว่าเป็นรังของโรคในร่างกายของเราเนี่ยทั่วทั้งหมดล้วนแต่เป็นโรคทั้งหมดเลยโรคหูโรคตาโรคจมูกโรคผิวหนังโรคผมโรคสมอง โรคลมโรคเลือดโรคหัวใจโรคปอดโรคม้ามโรคตับคือตราบใดที่มีตับจะมีโรคตับตลอดเวลาตราบใดที่มีปอดก็จะมีโรคปอดตลอดเวลาตราบใดที่มีลำไส้ก็จะมีโรคลำไส้ตลอดเวลาตราบใดที่มีกระเพาะอาหารก็ยังต้องเป็นโรคกระเพาะอาหารตลอดเวลาทุกอย่างเป็นโรคหมดโดยเต็มด้วยอำนาจของชรา คืออวัยวะของเราทุกชิ้นส่วนมันมีความคลํำคร่าไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะความคลํำคร่าของอวัยวะนี่คือโรคโรคที่ผิดปกติที่เราเรียกกันว่าโรคมะเร็งมันผิดปกติเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความคล่ำคร่าแต่มันเกิดจากความสมบูรณ์เซลมะเร็งคือเซลที่ไม่ตายในสภาพแวดล้อมที่มันจะต้องตายเซลมะเร็ง ออย่างนี้ก็เป็นโรคใช่ไหมเซล์ที่มันจะต้องตายในเซลล์ที่มันไม่ตายในสภาพแวดล้อมที่มันต้องตายถ้าในสภาพแวดล้อมไหนเซลลนั้นต้องตายก็ตายป่อยเซลล์อื่นก็เกิดแทนแต่เซลล์ใดที่มันไม่ยอมตายในสภาพแวดล้อมที่มันต้องตายนั่นนหะนั่นนหละนุนหามาเถอะ ที่มันโผล่ออกมาตามคอโผล่ออกมาตามปอดโผล่ออกมาตามตับโผล่ออกมาตามนั่นคือมันไม่ยอมตายในสภาพแวดล้อมที่มันต้องตายมันก็เลยเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดมาเขาเรียกมันว่าเซลล์มะเร็งเวลาเขารักษาเขาฉีดคีมโมก็ดีก็ฝังแร่ก็ดีฉายแสงก็ดีเขาทาเหล่านี้เพื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เพื่อให้มันตาย <c oughs> แต่มันแทนที่มันจะตายมันกระจายไปเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องปกติมาก ก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งในหลายหลายหมื่นโรคก็ใช้คำพูดว่า8 4ด0ม่นสี่พันโรคอยู่ในร่างกายนี้ของคนเราเพราะฉะนั้นมันนึคำว่ารังรู้จักรังใช่ไหนึกถึงรังพึ่งไหมตัวพึ่งยั่วเยี่ยไปหมดใช่ไหมเนี่ยร่างกายเป็นรังของโรครังของโรคมีโรคยั่วเยี่ยไปหมดเหมือนกับตัวพึ่งที่อยู่ในรังพึ่งนั่นแหละเป็นรังของโรค ปูพังผูนังผูพังผูพังไหมทุกๆอวัยะวะของร่างกายนี้มีความผูพังไปในตลอดเวลาแต่ ว, ว่าที่เราได้ยินศัพท์ที่ใกล้ชิดกับคำว่าผูพังเช่นกระดูพรุนใช่แต่อันอื่นมันเหมือนกันทั้หมดอ่ะมันผูพังไปตลอดเวลามีอะไรไม่ผูพังมั่งผูพังไปหมดเลย อาการสามป็รองผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารหมายานก็ผูพังตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่ผูพังเรียกว่าปรพังกูนังพิดชติปูติสั้นเดโฮฮนกายตั้งกายมันเลยเป็นของเน่าเหมือนกับถุงหนังถุงหนึ่งอ่ะที่ข้างนอกเราเขียนลงสีอย่างงดงามแต่ข้างในบรรจุไปด้วยของเน่าของหม็นทั้งนั้น คือเป็นของนาเพราะฉะนั้นนี้คือความเป็นจริงของของของชีวิตในส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยมองกันแต่ถามว่าความรู้มีไหมมีรู้ว่าแก่รู้ว่าเจ็บรู้ว่าตายรู้แต่มันไม่ยอมรับที่มันไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรเพราะมันสวนทางกับความพอใจของเราความพอใจของเรามันต้องอย่างเงี้ย เดินไปไหนก็เชิงโวยเดี๋ยวนี้ดูดีนะอยิม้มร่องน้ำหมากขึ้นเจอเลยไปเดินไปไหนก็บอกโอ้โหดูเดี๋ยว น, นี้ดูดีนะอยิม้มใหญ่เลยอาจจะรักษาภาพลักษณ์เต็มข้างในนั่นโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเพราะว่าความพอใจของเราเป็นแบบนั้นความต้องการของเราเป็นแบบนั้น นี่คือธรรมชาติสายหนึ่งมีอวิชชาเป็นหัวหน้าอาวิชชาเขาทางานของเขาตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเพราะว่าเขาขึ้นต้นสุดที่ทุกเขาขึ้นต้นเสร็จแล้วมันไปสุดที่ทุกขึ้นต้นเสร็จแล้วมันไปสุดที่ทุกนั้นเราชอบอะไรรักอะไรปราถนาอะไรจะได้สิ่งนั้นมาหรือไม่ได้สิ่งนั้นก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นทุกข์ ไพรวันมีทุกไห ม, ไม เ, เออล้วนเกิดจากอะไรไไเกิดจากของที่เคยชอบใช่ไหมไเอ อ, อ, ข, อของที่เคยชอบไงของที่เราชอบทั้งนั้นน่ะสุดแล้วที่สุดแล้วเป็นไงมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาถามว่าเขาผิดหรือเราผิด สมัยก่อนเขาผิดเพราะเราโง่ใช่ไห ม, ไหม <laughs> สมัยนี้เราผิดเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเราฉลาดเอออันนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะมันมีอยู่มันมีอยู่เพราการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมันจะอบรมชีวิตจิตใจนี้ให้รู้จักกับธรรมชาติอีกสายหนึ่งเพื่อให้มันคานกันไว้ เราจะไม่มีโอกาสประสบกับความสุขอย่างแท้จริงเราไม่มีโอกาสประสบกับความสาหดอย่างแท้จริงเราไม่มีโอกาสเลยถ้าตราบใดเราไม่มีรู้จักพอไม่รู้จักนิ่งไม่รู้จักหยุดเหมือนคำที่ว่าคำว่าพอไม่มีในหมู่ของคนโลภจริงไหมจริงไหมโอ้โหมีกันเป็นสิบยี่สิบล้านยังอุตส่าห์เอาไปให้เขาหลอกไปเข้าแชร์ลูกโซ่ เหมือนบาวันที่ข่าวผู้จัดการธนาคารอะไรอะเอาเงินไปให้เขาล้านสองเพื่อต้องการกูเก้เงินห้าแสนเออฮะต้องการกู้เงินห้าแสนเอาเงินโอนเงินให้ไปเขาล้านสองโดน c เซ็นเ n อร์ก็หลอกไว้เพราะนั้นคำว่าพอ จะไม่มีในหมู่ของคนโลภคาว่านิ่งจะไม่มีในหมู่ของคนโกรธคาว่าหยุดจะไม่มีในหมู่ของคนหลงคาว่าพอคนโลภหายากยิ่งคาว่านิ่งคนโกรธยิ่งยากใหญ่คาว่าหลงไอ้คาว่าหยุดคนหลงยิ่งห่างไกล ถึงคราวตายใบยหน้าสู่ทุกกติแท้ให้มันจบกลอนไม่เลย <laughs> ให้มันจบกลอ น, <laughs> น, อ, น <laughs> อย่าถามใหม่นะ <laughs> <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นธรรมชาติอีกข้างหนึ่งน่ะมันมีอยู่จริง มหาบุรุษคือคนฉลาดในอดีตเพราะท่านคิดเห็นพิดภัยโทษของความพอใจและความไม่พอใจของชีวิตที่มันนำทุกมาให้เนี่ยก็หาหาหาหาหาก็เกิดเป็นศาสนาขึ้นมาตามความเชื่อของตัวเองศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนานน้นแต่ในที่สุดมันเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้แต่เจ้าชายศิีศักดคิดไม่เหมือน ไม่เหมือนคนเหล่านั้นครึ่งแรกของชีวิตคิดเหมือนกันก็เข้าไปศึกษาคนา้นคว้าจากนักปราชรุ่นเก่าๆแล้วก็ทำตามทุกวิธีที่มีอยู่ทุกศาสนาทุกความเชื่อแต่ไม่ไม่สามารถไม่สามารถที่จะเป็นความพ้นทุกได้จริงในที่สุดสละพระองค์เองศึกษาคนา้นคว้าเออ ความทุกข์มันเกิดที่ไหนฮะเกิดที่รูปนามกายใจชีวิตนี้ใช่ไหมมันไปหาที่โน้นเจอไหมไม่เจอเพราะเจ้าชายสากลนคิดว่ามีกลางวันมันก็มีกลางคืนใช่ไหมมีร้อนมันก็มีเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีความทุกข์สิไอ้ทุกข์เกิดที่นี่ความทุกข์ก็ต้องอยู่ที่นี่ หลังจากที่สวยหาข้างนอกมาจนหมดทุกทุกอย่างแล้วนะไม่มีใครสอนแล้วเรียนจบทุกสำนักของอาจารย์แล้วนันทุกคนที่อยู่ที่นี่ความทุกข์ก็ต้องอยู่ที่นี่ก็เลยตัดสินใจไปนั่งที่ใต้ต้นใต้นัวอะไรฮะต้นอะไรนะฮะอะไรอะไรนะ ไม่ใช่สาระนะในที่สุดไปนั่งใต้ต้นตอนนั้นเขาเรียกว่าต้นอัสทะพฤกไม่ใช่เรียกว่าต้นโพนะมาโพตอนพระเจ้าตัตตารุเขาเรียกโพโพที่แปลว่าตัตตารุต้นไม้เป็นเครื่องอย่างตัตตารุตอน <laughs> ตอนนั้นชื่อว่าอัศทะพฤกอัศี่มานอะไรอัศทะพฤกเป็นต้นไม้ของคนเลี้ยงมาอัศทะพฤก อัทธพฤกพ ร, กระพุทธเจ้าตรตสรู้เขาเรียกว่าต้นโพ<ฮ>เดี๋ยวนี้เ็าเรียกว่าต้นพระศีมหาโพเออคือต้นเดียวกันนั่นแหละก็ไปนั่งที่ใต้ต้นนี้แล้วศึกษาอะไรหึท่านต้องไม่ลืมว่าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะหาันไปศึกษากายใจนี้ตอนนั้น ปลอกของชีวิตถูกปลอกออกไปเยอะมากแล้วต้องเข้าใจตรงนี้นะ เ, ออเพราะท่านทิ้งราชสมบัติทิ้งครอบครัวล่ละมาทั้งหมดแล้วเข้าใจไหม เ, ออเพราะฉะนั้นยังเหลือแค่แม้กระทั่งว่าชื่อว่าสิท ธ, ธิษฐะก็แทบจะไม่มีความหมายในความยึดติดของเจ้าใจาสิทธิษฐะในขณะนั้นมันเหลือแค่อะไร แค่กายใจแค่ชีวิตที่ตั้งนั่งนิ่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนั้นมันเหลือภาระแค่นีแล้วนะจิงจไม่ได้มีโอกาสเจออย่างเรานั่งสมาธินี่นั่งเอ้อนั่งด้วยความเป็นไรด้วยความเป็นไพรวันมันมีเส้นใยอย่างการยึดโยงใหญ่ยั่วเยี่ยไปหมด นั่งด้วยความเป็นรีวเงี้ยมันโยงใยยั่วเยี่ยไปหมดเลยนั่งด้วยความเป็นเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมันมีชื่อมีความสําคัญหมายมีเส้นใยแห่งการยึดโยงยั่วเยี่ยไปหมดเลยจากจากตัวเราที่เชื่อมโยงไปกับข้างนอกนั่นยังไม่นับถึงสันดานนิสัยภายในของตนเองอีกต่างหากแต่เจ้าชายศรีสตาตอนนั้นนะตอนที่ละทิ้งทุกอย่างแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นอัศวพลึะ นั่งดีใจต้นอัศจรรย์นี่มันเหลือไม่มากแล้วนะเออมันส่งลมทรงจิตผู้รู้เข้าสู่ลมหายใจพอเกิดความตั้งมั่นก็ศึกษาภายในของพระองค์เองคือในรูปนามนี้จนพบกับความจริงเยอะมากในนั้นและพอตรัตรุปรากฏว่าความจริงที่พระพูทธเจ้าค้นพบในพระองค์นั้นกลับกลายเป็นว่า เป็นความจริงที่มีอยู่ในทุกๆชีวิตไม่เว้นแม้กระทั่งเนื้อษีสักที่นั่งอยู่นี่ไม่เว้นแต่โยมที่มาใหม่ น, น่นไม่เว้นแต่คนที่เป็นหมอไม่เว้นไม่แต่กระทั่งพระทุกชีวิตจะมีความจริงที่พระพุทธเจ้าสัตร้ทั้งหมดเลยไม่มียกเว้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า การทำความทมและปฏิบัติธรรมเป็นการอบรมชีวิตจิตใจนี้ให้พบกับความเป็นจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งที่จะนำก็ไปถูงความพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่อบรมด้วยการความทำปฏิบัติธรรมปล่อยให้ชีวิตของเราแก่เจ็บตายให้มันเป็นไปอย่างนี้มันก็อยู่กับธรรมชาติสายเดียวถูกไหมสายนี้นาไปสู่อะไรถู เดี๋ยวก็ทุกข์เพราะแก่เดี๋ยวก็ทุกข์เพราะเจ็บป่วยเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะจะตายเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะความคลานพลาดพลาดเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่ได้ดังใจเหมือนไพรวันว่าไอ้ไม่ได้ดังใจนี่เยอะนะลูกน้องไม่ได้ดังใจสามีไม่ได้ดังใจลูกไม่ได้ดังใจหลานไม่ได้ดังใจเพื่อนไม่ได้ดังใจอยู่บนถนนก็ไรถไม่ได้ดังใจเติมน้ํามันปั๊มไม่ได้ดังใจอยู่เครื่องเกมันไม่ได้ดังใจมันเยอะไม่ได้ดังใจนะ มันเยอะเพราะฉะนั้นในเส้นทางของถ้าเราปล่อยเขาไปเป็นธรรมชาติอย่างนี้นนะรับรองได้เลยทุกๆ ท, ท่านไม่ว่าท่านจะรวยจะสวยหรือจะจนจะมีศักยาภาพมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะจมอยู่กับอะไรถูกเวลาเราไปไหว้พระขอพรนะขอให้ข้าพเจ้าอายุยืนยาวหึงคิดมากหรือเปล่า คิดมั้งไหมนี่พออายุห้าย่างห้าสิบนอนก็ไม่ค่อยหลับหลับก็ไม่ค่อยลึกเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นนะถ้า 5, ถ้าถ้า ถ, ถ, ถ, ถ, ถ้าว่าอายุยืนไปสักร้อยสองร้อยไปไงอะเคยคิดไหมเคยสงสารตัวเองมั้งเปล่าที <c> ่ <ười> <c ười> ไปขอพร่าขอให้ขา้าพเจ้าจงอายุยืนเดี๋ยวนี้คนเริ่มฉลาดขอให้ข้าพเจ้าอายุยืนและสุขภาพดีมีความจามี <c ười> มีมีสร้อยเพิ่มทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเกิดการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องเป็นธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือธรรมาชาติที่เป็นจริงปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามแนวธรรมชาติที่เป็นจริงส่งผลเพื่อความพ้นทุกข์ฟังก็ต้องฟังความเป็นจริงอย่างนี้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ดีในี้การปฏิบัติธรรมเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะทําได้ไหมเพราะพระพุทธเจ้าท่านเจอเรื่องธรรมะนี้ ท่านเจอครบเลยเจอทั้งตัวธรรมเหตุแห่งธรรมตัวธรรมตัวดับธรรมและข้อที่จะปฏิบัติวิธีที่จะทําให้เราเดินเข้าไปถึงความความดับของธรรมนี้ครบพระเจ้าครบเลยนั้นเราเจอพระเจ้าเสร็จแล้วมาตอนนี้เราประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเลย ตกลงเสียชาติเกิดไหมฮ <Yeah. S 1> ะ <Yeah. S 1> เสียชาติเกิดเพราะว่าเราวางชีวิตของเราในฐานะเป็นมน mm ุษย์ไม่ต่างไปมดแดงมด ด, ด, ดา mm hmm. คือเกิดแล้วก็ให้เป็นไปตามธรรมาชาติสายเดียวแล้วก็ตายไปมดแดงมด ด, ด, ดามันเกิดมาปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันก็ตายไปแต่เราปล่อยให้ธรรมาชาติของชีวิตนี้เกิดมาแล้วให้มันแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเหมือนมดแดงมดดาก็ไม่ต่างไม่ต mm ่า hmm. ง มันจึงมีการความธรรมและปฏิบัติธรรมนี้ไงอทีนี้การความธรรมและปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากให้สาระกับชีวิตแล้วก็พูดได้ว่าแทบจะเป็นเรื่องเดียวนะแทบจะเป็นเรื่องเดียวนะที่เป็นสาระกับชีวิตที่ตอนนี้ท่าถามเนี่ยอะไรเป็นสาระของชีวิตอย่าพูดว่าความธรรมปฏิบัติธรรมนะ อะไรเป็นสาระของชีวิตโ oh. อ้โหอหังการมันมาอัตตามันออกสาระของชีวิตของฉันก็คือว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเยอะมากนะเยอะมากทีนี้ถ้าให้เราไปนอนติดเตียงยังไม่ตายนะ นอนติดเตียงปากก็สวมท่ออยู่มือก็เสียบสายแขนเสียบสายนอนติดเตียงนิ่งๆอยู่บนเตียงถามว่าอะไรคือสาระของชีวิตจะตอบเหมือนกับตอนมันอย่างนี้ไหมไม่ไ ม, ไม่แล้วตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงเราจะเห็นว่าปลอกของชีวิตที่มันเคยเป็นสาระมันถูกถอดออกไปเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีสติมีความจําได้ดีหมอบอกว่าออขอโทษนะคุณอยู่ได้อีกสามชั่วโมงลองหลับตาแล้วรู้สึกได้ที่ในใจของเราเนี่ยถ้าพอหมอบอกว่าคุณคุณคุณอยู่ได้อีกสมชั่วโมงนะเดี๋ยวคุณจะต้องตายแล้วคิดดูสิวินาทีที่มันกําลังขยับขยับขยับเนี่ยมันนานไหมสําหรับคนที่อีกสมชั่วโมงตายอ่ะ ถ้าหมอบอกว่าอีกสามชั่วโมงคุณจะตายเป็นไงแต่เดิมเนี่ยเช้าขึ้นมาสาระของชีวิตสตาบัคพอตกเย็นชอบไอคอนก <c oughs> ลับไปยังไม่ทันถึงบ้านเลย <c oughs> เพื่อนโทรเ อ, อ้ยเนี่ยมานั่งตรงนี้นะโอ้โหฟินมากชีวิต รู้สึกเป็นสาระมากแต่พอหมอบอกว่าอีกสามชั่วโมงคุณจะต้องตายเป็นไงเป็นไงล่ะทุกอย่างทุกอย่างนี่เพื่อนโทรบอกเฮ้ยมาที่เฮ้ยฉันไปไม่ได้ไม่บอกเพื่อนอว่าอีกสามชั่วโมงตึงจะตายเพื่อนบอกเฮ้ยมาที่เนี่ยตรงเนี้ยเขาให้หล้านเลยนะ แค่มานั่งไงเป็นเกียรกับเขานี่เขาให้ห้าล้านเลยมึงจะไปั้มล่ะอีกสมชั่วโมงกูจะตายแล้วมันเป็นความอย่างนี้ความเป็นจริงชีวิตเรามันมีลิมิต ต, ตรงนี้ไหมอตอนนี้อายุไขของคนเราเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าคิดเป็นวันเท่าไหร่ของโยวงวันนั้นคิดโยบงคิดเหลือเท่าไหร่ สี 4, ่พันสองเหลือ 4,000 กว่าเหลือสี่พันกว่าใช่ไหมฮะใช่เหรอสี่พันกว่าเหลือสี่พันกว่าวันเอาถ้ากิดเป็นปีอะอายุเฉลี่ยเจ็ดสิบ้าเนี่นี่กี่ปีแล้วจ๊ะหกสีเหลืออีกเหลืออีกสิบหนึ่งเหลืออีกสิบหนึ่ง ถ้ามีหลานตอนนี้หลานยังไม่ทันจบอนุบาลเลยนะไอ้หลานยังไม่ต้งหลานเพิ่งขึ้นปสองเองปสองปสามแล้วมันจะต่างกันไหมในเมื่อเราทําในใจพิจารณาว่าร่างกายของเหล่านี้มันแก่ลงทุกขณะมันแก่ทุกขณะและเป็นรังของโรคกําลังผุพังเป็นของเน่ามีความตายเป็นด่านสุดท้ายของมันเนี่ย ถ้าเรารู้สึกเราลึกอยู่อย่างนี้มันแตกต่างกันไหมกับว่ามันเหลืออีกสี่พันกว่าวันไอ้สี่พันกว่าวันนี่มันไม่ใช่ว่าไอ้นั้นมันเฉลียนะมันเฉลียนะมันอาจจะวันนี้ก็ได้วันหนึ่งมีย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมมันอาจจะเป็นชั่วโมงนี้ก็ได้หรือดีหน่อยอาจจะเป็นชั่วโมงหน้าหรืออาจจะเป็นชั่วโมงต่อไปเวลาไหนได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้น ถ้าเราทำในใจของเราให้เสพคุ้นนะเสพคุ้นขึ้นมาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจนจิตมันเปิดได้แล้วก็ยอมรับอย่างนี้ได้สิ่งไร้าสาระในชีวิตของเราจะถูกลิดรอนออกไปแทบหมดเลยแทบหมดเลยก็เหมือนกับที่บอกอ่ะแล้วนอนติดเตียงอยู่อ่ะแล้วหมอบอกอีกสามชั่วโมงตายคิดดูสิ อะไระสิ่งที่ที่เราเคยถือว่ามันเป็นสาระสาระสาระเราก็ทิ้งหมดอ่ะใช่ไหมเออแต่ถ้าเราทําในใจของเราจนกระทั่งใจของเรามันเปิดและยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้มันจึงทําให้สิ่งที่ร้ายสาระในชีวิตของเราหายไปเยอะอะไรที่จะทําให้เราเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นได้ไก็คือการฟังทำปฏิบัติทำฟังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปฏิบัติ เอาเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพราะว่าสภาพใจของเราณขณะที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมธรรมชาติใจของเรามันดําเดินอยู่ในธรรมชาติสายหนึ่งสายที่มีอวิชชาเป็นหัวหน้าถูกไหมพื้นที่ใจของเรามันถูกยึดอยู่ด้วยอํานาจของนิวรณ์ด้วยอํานาจของอาสวะด้วยอํานาจของอนุสัยเข้าใจไหมมันถูกยึดอยู่มันยึดอยู่ ถ้าเราแค่ฟังทำอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะยึดคืนพื้นที่ใจของเราไม่ได้ถ้าเรายึดคืนพื้นที่ใจนี้ไม่ได้มันไม่มีวันที่ใจนี้จะหลุดออกจากความพอใจและความไม่พอใจได้มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นน่ะเช้าดีเเชา้าฝสายก็ร้องบ่ายก็ยิ้มคำก็หน้าหีกหน้างอ ตื่นเช้ามาก็สดชื่นแจ่มใสพอสายหน่อยก็ร้องห h มร้องไห้หน้าดำคิ้วกระมวดต้งวนอยู่ตรงเนี้ยวนเรียกว่าอยู่ในหลุมโคลนของความทุกข์เจะดำว่ายดำว่ายดำว่ายอยู่ในหลุมโคลนนั้นเนี่ยไม่สามารถหรอกที่จะออกมาได้งั้นพอเราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมันจะทําให้เราดําเดินศึกษาอยู่ในธรรมชาติอีกสายหนึ่ง การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ใจนี้ขึ้นมาจากอำนาจเหล่านั้นที่เราเรียกกันว่านิวรที่เราเรียกกันว่าอาสวะที่เราเรียกกันว่าอนุสัยรวมความก็คือว่าอำนาจของกิเลสาสวะมันยึดคืนอยู่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติการการยึดคืน ยึดคืนนี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าจะจ ะ, จะตรัสรู้เขาก็มีการปฏิบัติกันนะรวมเรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยบูชาค อ, อาไอไหวจอมปลวกอที่เป็นอะไรประพฤกษวัดแบบโคประพฤกษวัดแบบสุนนักพวกนักบวชชีเปลือย ประพฤกษวัดแบบโครประพฤกษวัดแบบซุนนักประพฤกษวัดแบบไกประพฤกษวัดแบบโอยุ่แย่ไปหมดเลยที่เขาประพฤกอยู่อย่างนั้นเพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์แต่มันไม่ใช่ไงเข้าใจไหมเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้จรงิงอะพอเขาคนที่เข้าไปศึกษาศึกษาศึกษาจนในที่สุดไม่มีใครที่สามารถ เข้าไปสู่ความพ้นทุกนี้ได้ทุกคนจึงรออะไรรอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลในอุดมกติของคนยุคก่อนพุทธกาลหลายคนที่ทุ่มเทการศึกษาคนฟ้าเสร็จแล้วเห็น้ภาษาไต้ก็เรียกว่ายำหัวกีตันร่มแล้ว <c oughs> คือ ม, มันเหลวเปลวทั้งนั้นะ ก็เลยไม่ถึงรออย่างเดียวรอพระพุทธเจ้าบางคนพระพุทธเจ้าตตอาจจะรู้อยู่ที่กรุงสาวัตถีตัวเองอยู่อีกเมืองนึ่น้นได้ยินจากทิพพ่อค้าว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคําเนี้ยคํานี้ยที่ท่องกันน่ะพุทโธโลเกอุ ป, ปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกมันเป็นคําที่แบบอัศจรรย์เป็นคําที่ยิ่งใหญ่ต่อการได้ยินมาก ใครที่บอกได้ยินคำนี้โห้โทิ้งบ้านทิ้งเมืองเลยมีพระราชาหลายพระองค์อ่ะพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่กรุงสาวัตถีสาระรัพย์สมบัติให้กับบุตรให้กับพระเมสีหมดตัวนี้ก็ควบมาบึงไปหาพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วฤาษีบวชทําบําเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพาน่มาได้ยินว่าพระพุทธเทโลเกอุปพุทโธโลเกอุปนโลพระเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วออกจากป่าเลยหาพระุเจ้าเลย เพราะทุกคนต้องการหาใครหาผู้รู้จริงหาผู้รู้จริงผู้รู้จริงไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะรู้ในการในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเท่านั้นและเส้นทางนี้มันยากมากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ายากมากเลยเขาเรียกเอกายามัก เป็นทางเดียวมันเหมือนกับก้อนทรงกลมก้อนนึงแล้วมันมีรูเป็นช่องชๆๆๆๆเยอยแยะไปหมดเลยไม่รู้กี่มือนกี่แสนกี่ล้านรูในช่องตมนี้ไอ้พวกที่เข้าไปรูนี้ออกรูน้นข้ารูโน้นออกรูน้้เข้ารูโน้อนออกรูเยอะแยะไปหมดเลยแต่จะหารูไหนอ่ะ ที่มันเป็นช่องของความพ้นทุกข์มันมีรูเดียวมันมีช่องเดียวแล้วบางคนเข้าแล้วเดินไม่ตลอดสายพอเข้าเข้าไปเจอทางแยกเลี้ยวออกเข้าเข้าเจอทางแยกเลี้ยวออกเข้าเข้าเจอทางแยกเลี้ยวออกก็เดินไม่แน่แน่เดินไม่ตลอดสายสายนี้มีสายเดียวเขาเรียกว่าเอกายามักเรียกว่ามีรูเดียว ในจำนวนไม่รู้กี่ล้านล้านรูเนี่ยมีรู้เดียวในก้อนทรงกลมนี่นะที่จะให้เข้าไปข้างในได้เข้าไปสู่มรรคสู่ผลนี่ได้มีรู้เดียวมันยากไหมล่ะมันยากแต่พระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าในขณะที่เป็นโพธิสัตว์นะ่ะเข้ามาทุกรูเข้าใจไหมเข้าไปทุกช่องของเส้นทางรู้หมดแล้ว ว่าช่องไหนเส้นทางไหนไปไหนไปไหนไปไหนในที่สุดได้ช่องทางนี้คือเอกายนัเอกายมักเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะตรัตตุรูปทําหน้าที่สี่สิบ้าปีเป็นพระพุทธเจ้าหรือขนสัมภสัตวขึ้นจากหลุมโขลนแห่งความทุกข์หรือขนสัตว์ออกจากความทุกข์รู้ขนสัตว์ออกจากความทุกข์เพื่อ น, นําทุกคนเข้ามาในร่องนี้แล้วให้เดินไปเดินไปสุดทางก็ถึงเป้าหมาย เดินไปในเส้นทางนี้สุดทางก็ถึงเป้าหมายพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ผู้วิเศษพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้รู้และทาหน้าที่เป็นมัคคขายีคือชี้ทางเราจึงต้องมีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าวิเศษแค่ฟังธรรมพอถูกไหมแค่ฟังธรรมพอไม่ต้องมีการปฏิบัติธรรมแค่ฟังธรรมอย่างเดียว อย่างที่พวกท่านฟังอัตมาอยู่ตอนนี้ท่านฟังปั๊บท่านเข้าใจฟังปั๊บท่านเข้าใจพอแล้วพอเข้าใจเสร็จก็เป็นมรรคเป็นผลถึงนิพพานกันหมดไม่ต้องปฏิบัติอะไรถ้าแค่ฟังแต่มันไม่พอไงการฟังทำพระพุทธเจ้าช่วยได้สาวกของพระเจ้าช่วยได้การฟังทำแต่การปฏิบัติทำเราต้อง นี่แหละเราต้องทำเองใช่ไหมใครจะปฏิบัติให้ได้ถ้าการปฏิบัติทำปฏิบัติให้กันได้คุณหมอแกก็เป็นนิพพานานานแล้วพวกเสียเสียทั้งหลายเนาะโอ้โหมักผลนิพพานมันซื้อได้ด้วยเงินเสร็จแต่มันต้องทำเองเท่านั้นนี่คือการ ที่ว่าธรรมชาติสายนี้เรียกว่ามีวิชาเป็นหวนัวหน้าแล้วธรรมชาติสายโนน อ, นอวิชาเป็นหวนัวหน้ามันเป็นอยู่อย่างนี้อวิชาพิกเวุพัพงคอากุศลานังธรร ม, มนังสมาปติยาอ น, นเววะอหิริกังอโนตับปังอวิชาคตาสะพิกเวอวิทุนโน มิจฉาทิฏฐิปะโหติจบสายของอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันนำไปการปรุงแต่งที่เกิดจากความไม่รู้เนี่ยมันไหลไปกับอารมณ์ใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิปะโหติคือเกิดความเห็นผิดขึ้นมาทันทีพอเห็นผิดแล้วเป็นไง เห็นผิดเลยวมย้ก็ผิดไปจนตลอดสายแหละพอเห็นผิดคิดเป็นไงพูดล่ะทำล่ะประกอบอาชีพล่ะความพยายามความตื่นตัวพยายามผิดด้วยความสำนึกระลึกรู้ความตั้งใจนา น, พ, นพอถูกขึ้นมาล่ะเออ พอวิชาคัตตาสะพิกเววิทธสุโนสัมมาทิฏฐิปโหติคว า, ามรู้แจ้งอันเกิดจากอำนาจของวิชาทำให้เกิดความเห็นถูกพอมันเห็นถูกแล้วไงคิดยังไงพูดทำประกอบอาชีพพยายามระลึกรู้ตั้งใจก็ถูกไง เพราะนั้นไอ้ถูกถูกถูกที่ว่าเนี่ยมันรู้เดียวมันช่องเดียวเรียกว่าเอกายมักถ้าเราไม่ปฏิบัติให้มีสภาวะมารองรับต่อความรู้ที่เรามีฟังทำมันให้เกิดความรู้ใช่ไหมการปฏิบัติมันให้เข้าถึงสภาวะมารองรับกับความรู้ใช่ไหมเข้าใจถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่มีสภาวะมารองรับกับความรู้ที่เรามีเรียกว่ารู้ไม่จริง เราได้ยินคําหนึ่งที่บอกว่ามันจะต้องรู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงความอย่างเดียวได้ไหมไมันจะต้องฟังด้วยปฏิบัติด้วยเพื่อให้เกิดสภาวะมารองรับความรู้ที่ตัวเองมีมันก็จะอ๋ออย่างนี้นี่เองถูกปะะ่ปล่ะเออ สรุปความว่าการฟังธรรมปฏิบัติธรรมชีวิตนี้ต้องอยังไงต้องมีต้องมีถ้าไม่มีการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเชื่อเถอะเสียชาติเกิดอา้าวมันไม่แตกต่างนี่มันเหมือนกันหมดอ่ะมันได้เหมือนกันหมดที่มันแตกต่างด้วยความเข้าใจผิดของเราเท่านั้นเองเอาเกิด เ, เกิดมาแล้เรียนหนังสือเหมือนกันหมดไหม มีคู่เหมือนกันหมดไหมหมายถึงที่มีแหมมันมันเนี่ยมันถือแข็งกันไหมมีคู่ก็ก็มีเหมือนกันได้มีลูกก็มีเหมือนกันได้เ ข, เขาเรียกภาษาโลกโลกอะกินกามเกียรติกินกาม เหมือนเหมือนกันเนี่ยกับสัตว์นดรัฉานเหมือนกันไหมจ๊ะเหมือนไหมเออเออเหมือนกันไหมเหมือนต่างกันที่ไหนต่างกันตรงที่ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนี่คือสาระและที่น่าเสียดายที่สุดก็คือว่าการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่มันได้แก่มนุษย์เท่านั้นในกําหนดสี มีการเวียนว่ายไตเกิดในสังสารวัตรนี่เกิดกันเยอะมากและสัตว์โยเยไปหมดเลยมนุษย์เนี่ยเป็นทุลีเศษเชี่ยวทุลีในบรรดาสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่วงของสังสารวัต tn ี้สัตว์ที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เนี่ยเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครเกิดผุดขึ้นเกิดในครันก็คือมนุษย์และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดในไข่ก็พวกสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เกิดในเท่าใครก็คือสัตว์ที่เกิดในสิ่งที่หมักหมมเกิดผุดขึ้นคือพวกโอปาติกะทั้งหลายในแต่ละกําเนิดนี้สามารถปรับเปลี่ยนพพชาติสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภพชาติและไปเกิดกันได้นั้นมนุษย์มันจึงเป็นเป็นภพเล็กๆทุลีทุลีเศษเสี้ยวของทุลีแต่ข้อดีของมนุษย์คือสามารถ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ได้โอกาสในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจะไม่ให้เรียกว่าเสียชาติเกิดได้ะจะเรียกว่าอะไรเราใช่ไหมเออถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันจะไปมีเพียงแค่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกลียดเหมือนสัตว์พบภูมิบูอนึนถึงสัตว์พบภูมิอื่นๆมันไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังแย่งกันแย่งกันเสพกามอย่างนี้มันต่างอะไรกับดดรัฉานต่างไหมไปในวัดแล้วเห็นมั้งอ่ะเวลาไปวัดที่เขาเอาหมามาปล่อยไว้เยอะๆเห็นไหมที่มันกัดกัดกัดกันน่ะมันกัดมันแย่งอะไรไม่รู้มันแย่งอะไรกันน่ะแล้วมันต่างกันตรงไหนฮะแย่งกันในเรื่องกินแย่งกันในเรื่องกาม แย่งกันในเรื่องของเกียรติยศความเป็นใหญ่มันไม่ต่างในภพภูมิต่างๆมันเหมือนกันหมดนะแต่มนุษย์มีภพภูมิเดียวนี้แหละที่มีโอกาสในการฟังทำปฏิบัติธรรมอ้าวเราเข้ามาสู่ช่องเล็กๆที่เรียกเอว่าเอกายมรกเพื่อก้าวสู่การปฏิบัตินะ ในแนวการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้เข้าสู่ในเส้นทางสายนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือวางจิตตัวรู้ที่เป็นกลางต่อสิ่งที่ถูกรู้ปราศจากการแทรกแซงและปรุงแต่งใดๆ ส่วนใหญ่เวลาเราจะไปปฏิบัติธรรมเราก็จะพยายามไปหาให้มันถูกใจไปสำนักโน้นก็ไม่ถูกใจไปสำนักนี้ก็ไม่ถูกใจไปสำนักโน้นโอ้ยอาหารการกินลำบากไปสำนักนี้ที่พักไม่ดีไปสำนักโน้นคนเยอะไปสำนักนีนนน้ ก, ก็โอ้ยอยู่ในป่าเสียงอีจักระจันเร่รร้องโอ้ยห่วยหวน ไปสำนักโน้นก็พระพูดใหม่พระสอนใหม่ดีไปสำนักนี้ก็มีแต่คนแก่มันไม่มีสำนักไหนถูกใจสักสำนักเวลาเราไปปฏิบัติธรรมแต่ละกางเราหาแต่สิ่งที่ถูกใจถูกป่ะถ้าเมื่อใดที่เราหาเฉพาะสิ่งที่ถูกใจมันจะได้สำนักปฏิบัติไหมไี่มีทางยิ่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปเจอสำนักที่ถูกใจแล้ว ปฏิบัติไปปฏิบัติไปได้แต่อะไรได้แต่สิ่งที่ถูกใจได้แต่อัตตาตัวเดิมมันแหละมันไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนให้ใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเวลาเรื่องข้างนอกที่เราเรียกกันว่าสำนักพระพุทธเจ้าให้ข้าแค่ว่า อารันกัคตวรุกมูลรักตัวสุนยาคารั ก, กตัวในป่าก็ได้โคนไม้ก็ได้เรือนร้างก็ได้ไอ้นี่เราดีกว่ายัางดีกว่าถือว่าได้ยังได้เออมันไม่เกี่ยวกับสิ่งถูกใจหรือไม่ถูกใจเลยพรุทธ<ม>เจ้าบอกว่าในป่า ก, ก็ได้โคนไม้ก็ได้เรือนร้างก็ได้เพื่อให้มีสําหรับคนที่บอกไม่มีที่ปฏิบัติเลยอันนี้ไงพระพุทธเจ้าบอกมึงไปในป่าไป ป่าไม่มีโคนไม้ก็ได้ไปไม่มีใครไปยุ่งกับมึงหรอกโคนไม้ไม่นู้นที่อยู่ว่างๆร้างๆรกร้างต่างๆที่ไม่มีคนอยู่ที่ไม่มีอะไรเขมเขาเรมไม่ได้ไปเอาเป็นเจ้าของแค่ไปนั่งปฏิบัติทำเฉยๆไปไปไปถ้ามามีปัญหามากนะักแต่นี่ไม่ตรงนี้ไม่มีเลยยิ่งเดี๋ยวนี้นะรแต่ก่อนก็ไม่มีโฉนดเดี๋ยวนี้เรามีทั้งโฉนดมีทั้งเอารบัตรเลขที่มีทั้ง บัญชีสมนโขครัวทะเบียนบ้านอะไรต่างๆแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของว่ามีที่ที่สําหรับที่จะปฏิบัติธรรมพ่อเจ้าให้เท่านี้เองอรัญญกตัวรุกขมูลและก็ตัวที่เหลือนอกจากนั้นให้เข้ามามีชีวิตร่างกายที่ยาวหนึ่งวานาหนึ่งคืบที่มีพร้อมทั้งสัญญาและเวทนาคือที่ยังไม่ตายนั่นเองแค่นั้นน่ะที่เหลือแล้วให้ดําเนินการไปอย่างถูกต้องข้อนี้ยาก ที่ว่าดำเนินการอย่างถูกต้องคือมันมีช่องเดียวอ่ะเข้าใจยังที่ว่าเป็นเอกกายอย่ามักเป็นทางเดียวถ้าว่าเป็นลูกทรงกลมมันรูเป็นล้า ล, าลารูมันมีอยู่รูเดียวที่จะเข้าช่องนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยใช้ฮะแต่มันเริ่มต้นอย่างอะไรสติปริมุขขั้งสติงุปัตเปตตว่าให้ทำจิตผู้รู้ก่อนดารงสติอยู่เฉพาะหนะ้าให้ทําจิตผู้รู้ก่อนฟังดูเหมือนกับ เป็นเรื่องไม่สำคัญแต่ตัวนี้คือตัวสำคัญที่เริ่มต้นเลยแหละต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเริ่มต้นตรงนี้ไม่ถูกมันจะผิดไปหมดอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ให้ถูกปริมุขังสติงูปัตเป ต, ตวะดรงสติอยู่จะเพาะหน้ามันก็คือทำจิตผู้รู้อยู่เฉเพาะหน้าและโน้มจิตผู้รู้ตัวนี้แหละคือตัวที่จะเข้าสู่การปฏิบัติและเวลาการปฏิบัติจิตผู้รู้ทาหน้าที่ รู้ต่อสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้เป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยจะต้องเป็นกายหรือใจเท่านั้นเป็นกายใจนี้เท่านั้นจิตผู้รู้ทาหน้าที่รู้ที่กายใจนี้เท่านั้นและรู้ซื่อๆตรงๆอย่างเป็นกลางปราศจากความแทรกแซงของความคิดใดๆทั้งสิ้นรู้ก็ไปอย่างนี้มัน พระพุทธเจ้าเลยให้เรารู้สิ่งที่ชื่อว่าอาณาปานสติรู้กายรู้ใจนี่แหละแต่ผ่านลมหายใจเพราะตัวจิตผู้รู้ที่รู้ตรงต่อลมหายใจอย่างถูกต้องวิถูกถูกวิธีแล้วเนี่ยมันจะรู้ตรงอิสระปราศจากความคิดใดๆเข้าไปแทรกแซงต่อรู้นั้นเมื่อรู้ต่อเนื่องไปตัวรู้ก็จะมีกําลังขึ้นมาแค่เรามีตัวรู้ จากฐานทั้งสีน่นี้บริบูรณ์สติที่เป็นตอนนั้นเป็นสติสามโพชงทันทีรู้ลมออกลมข้าวยาวได้สมบูรณ์รู้ลมออกลมสั้นได้สมบูรณ์รู้ลมทั้งปวงได้สมบูรณ์รู้ลมที่ระหัสไปได้สมบูรณ์สติก็จะเป็นสติสัมโพชงทันทีเมื่อสติเป็นสามโพชงอินทรี ศรัทธาปัญญาศรัทธาพระปัญญาพระมันจะเกิดความสมดุลคือศรัทธากับปัญญามันจะเท่ากันศรัทธากับปัญญาเท่ากันทําให้ศีลวิสุท ธ, ธิศีลที่มีอยู่ที่เราสมาทานกันเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อตะกี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราว่าปานาติปาตาเวรมาณีสิกาปัตังสมาธิยามิแต่ในใจลึกๆไม่เคยเข้าถึงเนื้อศีล จิตไม่ได้มีความให้ค่าต่อศีลที่เราสมาทานไปเราไม่เคยสงสัยบ้างเหลอว่าจะทำอะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งทำไมต้องสมาทานศีลเออเพราะมันสาคัญมากแต่เมื่อเราภาวนาอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยตัวรู้ที่ทำหน้าที่รู้ตรงๆงไม่มีการแทรกแทงจนเป็นอิสระอย่างเป็นกลาง มันก็เกิดสีรวิสุธทธินี้ศีลวิสุธทธิเกิดขึ้นจากศรัทธาและปัญญามันเกิดความสมดุลกันศรัทธาและปัญญาที่เเกิดความสมดุลกันนี้แหละมันทำให้เป็นสติสัมโพชฌงค์เพรเป็นสติสัมโพชฌงค์ปัญญาในที่สมดุลกับศรัทธาก็จะทำให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้เป็นธรรมชาติความเป็นจริง ที่มีอยู่อีกสายหนึ่งในร่างกายนี้ในชีวิตจิตใจของเรานี้อันเราต้องเข้าช่องทางให้มันถูกต้องก่อนนะพอเข้าช่องทางที่ถูกต้องมันก็จะได้เป็นเป็นลำดับของมันไปในธรรมชาตินี้เหมือนกับเราเอาหัวโขวกอัมแพงอะ่ะมันจะเจ็บปวดตามแรงที่เรากระแทกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นเหมือนกัน การเข้าถูในเส้นทางของความทําลการปฏิบัติธรรมที่ถูกช่องถูกทางของมันแล้วเนี่ยสร้างเหตุมันเป็นอย่างไรผลจะเกิดขึ้นและที่อัศจรรย์เมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีการปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องแล้วไม่มีผลนะทุกกาณะของการปฏิบัติให้ผลทันทีและก็ให้ผลเสบอตัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้น จากการปฏิบัติคือตะกรแห่งความตั้งมั่นของใจตะกรแห่งความตั้งมั่นของใจจะเกิดการปรับเปลี่ยนภายในโดยที่เราไม่รู้มันจะมีความนิ่งเพิ่มขึ้นความโกรธจะลดลงจากการจ้องจับผิดผู้อื่นดูผู้อื่นในแง่ลบอยู่ตลอดเวลากลับมามองผู้อื่นใน ม, มุมมองที่ดีขึ้นมีน้ำใจเพิ่มขึ้น มันทุกอย่างมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเองโดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปทำมันเพิ่มไปตามความปรับเปลี่ยนตามภูมิจิตที่อาศัยการปฏิบัติธรรมนี่แหละไปยืดคืนพื้นที่ของจิตนั้นคืนมา